ท่านฟันที่พคารครายการสัสนิสนคนาสัสนีหน้นาพงดำเนินรายการนะคะผ่านไปสำหรับพระมาร์คชาคาวโรวัฒนาปาพงลำลูกกาคลองสิบซึ่งเป็นวัดที่มีพระอาจารย์คริสโสธิพโลเป็นท่านเจ้าอาวาสและได้มอบหนังสือพุทธวจนะให้กับพวกเราวันละสามเล่มติดต่อกันเข้ามาที่ศูนย์สองค่ะตอนนี้เป็นเวลาที่เราจะได้ไปกราบมสการ พระเพรบุญอภีปุลโนจากวัดปาดอนไหศซอุดรธานีเพื่อสนทนาธรรมกับท่านและท่านจะนําพุทโวจนะมาให้ความรู้กับเราในการตอบช่วงเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทโธชนะนะคะกราบนวส ก, การกับท่านเพรพบุญ ค, ค่ะเชี่ยมานค่ะก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เราจะได้มาบูชาพระพุทธเจ้าด้วยพุทโวจนะอืที่เป็นเรื่องของพระพุทธองค์ที่ท่านเพรพบุญนำเอามาเล่าในช่วง น, น, นี้คะ่ะ พระพุทธเจเนี่ยบอกว่าพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่สามารถบังคับใจตัวเองได้อย่างเด็ดขาดนะคือเวลาต้องการคิดเรื่องอะไรก็คิดได้ไม่ต้องการคิดเรื่องอะไรก็ไม่ต้องคิดได้นะเป็นผู้ที่มีอํานาจเหนือจิตในะตรงนี้คือต้องการจะเปรียบเทียบกับคนเราอย่างเงี้ย เ, เราบางทีเราไม่อยากจะเห็นคิดหน้าคนนี้คิดหน้าถึงหน้าคนนี้มันนั่คิดอยู่เรื่อยไอ้คนที่มันทําให้เราเจ็บจาน้ําใจนะหรือว่าบางทีเราทําข้อสอบหรือแก้ปัญหาในชีวิตยอย่างเงี้ย ห้เราต้องการคิดที่มันออกให้มันคิดไม่ออกหรือนึกชื่อคนนะนึกชื่อคนคนนี้นึกเท่าไหร่นึกไม่ออกอย่างนีนะ้แสดงว่าคุณไม่มีอํานาจเหนือจิตนะแต่บุรุชาของเราเนี่ยมีอํานาจเหนือจิตทีนี้โอเคมีอํานาจเหนือจิตแล้วยังไงจะมาอาศัยอะไรเป็นเหตุปัจจัยนันก็คืออาศัยการที่เรามีฌานทั้ง4ี่นะบุรุษชาบอกว่าเป็นพระคเนี่ยเป็นผู้ได้ฌานทั้ง4อันประกอบในจิตอันยิ่งจึงเป็นผู้มีอํานาจเหนือจิต เดัะ น, นั้นถ้าเรามีสมาธิลึกซึ้งกุญยโยมติว๋วเราจะสามารถสั่งจิตเราได้นะ <Okay. S 1> สทำให้ซ้ายขวาหน้าหลังนิ่งอย่างนี้ได้หมดนะเพราะว่าเรา <c oughs> มีกําลังจิตมีกําลังสมาธิตรงนี้ <Okay. S 1> คนที่ทําอย่างนี้เนี่ยหมายความว่า เ, าเวลาที่เราจะจะแก้ปัญหาเฉพาะหนะ้าอันนี้คือเราพูดถึงเรื่องทางแบบเกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันนะะเราแก้ไขปัญหาเฉพาะหนะ้าจําชื่อคนอนึกถึงเรื่องนี้ไม่ต้องการนึกถึงเรื่องที่เจ็บช้าน้ำใจอย่างนี้เราเราใช้ ในชีวิตประจำวันของเราได้แล้วที่ยิ่งไปกว่านั้นนะคือให้เห็นสิ่งที่เหนือโลกขึ้นไปนะคือเรื่องของการบรรลุมรรคผลนิพพานก็ใช้กำลังจิตกำลังสมาธิอย่างเดียวกันนี้น ะ, ะที่เมื่อตอนต้นสัปดาห์นี้เราได้พูดถึงอันหนึ่งที่พระเจ้ามีอำนาจมีสมาธิที่ลึกซึ้งมากถึงฌานแดที่ฟ้าผ่าแล้วก็ไม่สะดุ้งสะเทือนนะน ะ, ะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่สอดคล้องกันค่ะ นี่ก็เท่ากับว่าเราได้รู้คุณสมบัติของพระพุทธองค์อีกคุณสมบัติหนึ่งซึ่งเป็นคุณสมบัติที่เข้าใจว่าหลายคนก็ปรารถนาแล้วก็ท่านเผยบุญก็พูดให้ฟังว่าหากเราทำสมาธิอย่างยิ่งยวดใช่ไหมคะเรามีกําลังจิตใช่ใช่ที่จะมีอํานาจเหนือจิตได้เช่นเดียวกันจิตจิตตรงนี้ที่ที่บอกว่าเป็นจิตที่มีกําลังเนี่ยก็คือจิตที่เป็นประพัดสอนนั่นเองจิตที่นิ่มนวลจิตที่อ่อนโยน อันี้จริก็เป็นเรื่องของการปฏิบัตินั่นแหละที่เราต้องปฏิบัติอตอนพูดกําลังจิตอย่างคิดว่าเข้าใจแล้วพะท่านมาอธิบายจิตประพัดสอนเนี่ยบางคนอาจจะบอกชื่อเหมือนนางงามสมัยโบราณแบบแล ว, ว่าอะไรล่ะคะคือเหมือนกับ เ, าเราทําคุณยมติว๋ว เ, เคยกินนันนี่ไหมทอดมันบลากรายเคยค่ะ <c oughs> ชอบด้วยค่ะเหนียวเหนียวหนวบหนึบเนี่ยนะตอนทําเนี่ยเขาจะต้องสับส่วนผสมทั้งหมดลงไปมีปลามีใบมะกรูดมีพริกมีเครื่องแกงอะไรต่างๆนะ ทีนี้ตอนกวนตอนคนเนี่ยเขาจะต้องกวนต้องคนต้องตีจนกระทั่งมันเข้าเป็นเนื้อเดียวกันหมดทีนี้ไอ้ตอนที่มันเข้าเป็นเนื้อเดียวกันหมดเนี่ยตอนตอนที่มันผสมพอจะได้ที่แล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้มีความเหนียวไม่มีความอะไรมันยังร่วนอยู่แล้วทีนี้พอนวดไปนวดไปเอ้ทาไมมันเหนียวขึ้นมาได้ทั้งทั้งที่ก็ไม่ได้ใส่อะไรเพิ่มไม่ได้ใส่แป้งไม่ได้ใส่อะไรนะเราก็ใส่แค่น้ำนิดๆหน่อยๆไอ้ทำไมมันเหนียวขึ้นมาได้ตรงนี้ไงคือด้วยความที่มันเป็นเนื้อเดียวกัน แล้วเหมือนจิตของเรานที่บอกว่าจิตพระพุทสอนจิตพระพุทสอนเนี่ยคือจิตที่แหมใส ส, สะอาดนิ่มนวลเป็นเนื้อเดียวกันออย่างยกอย่างปูนปูนซีเมน์ก็นะเราผสมปูนอย่างเงี้ยถ้าคนเป็นนายช่างเนี่ยจะไม่ค่อยรู้เรื่องถ้ามันประกายเท่าไหร่นะจะสะดวกเรื่องปูนมากกว่าแล้วผสมปูนคุณผสมทรายผสมน้ำผสมปูนซีเมนต์เข้าไปนะบางทีววผสมสารอะไรต่างๆเข้าไปถ้าถ้าผสมกันแล้วมันไม่มันไม่ร่วนออกมาเนี่ยมันไม่เหนียวดีเนี่ยคุณใช้งานไม่ได้ค่ะเกนาะเนาะ ค่ะเปรียบอย่างนี้ลําบากหน่อยนะคะสําหรับคนที่ตื่นเช้ามายัางท้องว่างอยู่ในมันหิวขึ้นมาอย่างตลาดไม่ได้หิวปูนนะคะหิวทอดมันปลากรายนี่คือลักษณะที่พอจะเปรียบกับปัจจุบันนี้ให้ท่านได้จินตนาการออกสําหรับคนที่ยังไม่เคยฝึกจิต น, นะคะว่าจิตที่เป็นประพัดสอนซึ่งเป็นจิตที่มีกําลังนั้นเป็นจิตเช่นไรแล้วท่านทั้งหลายมีโอกาสได้อย่างที่ท่านมา สอนในตอนต้นเนี่ยจะพาเราไปสู่จิตประพัฒสอนได้ไหมคะ อ, อนใช่แน่นอนเพราะว่าถ้าเธอปรารถนาว่าทำให้มีชัน 1, ช้นหนึ่งชัน 3, ช้นสองชั้นสามชั้นสี่พวกนี้แล้วก็พึงทำไว้ในใจซึ่งอานาปานาสติให้เป็นอย่างดีค่ะพูดถึงในรายการของเราเนี่ยนะคะเราก็มีพระสงค์สองรูปซึ่งรูปหนึ่งเป็นอาจารย์สถาปัตย์คือต้องบอกว่ามีความรู้ทางด้านสถาปนิก อ, อีกรูปหนึ่ง เคยเป็นวิศวกรเก่าอย่างเช่นท่านใบบุญอย่างเงี้ยนะคะ <c oughs> ดิฉันอยากทราบว่าอย่างนี้เราพอจะพูดได้ไหมคะว่าคือถ้าพูดถึงเรื่องวิชาชีพสมมุติว่าไม่ใช่เป็นพระเนี่ยอืมทั้งสองอาชีพนี้จะเป็นผู้สร้างงานใหญ่ๆเลยนะคะอย่างเป็นระบบอันนี้เท่ากับว่าเราใช้ผู้สร้างในลักษณะทางโลกมาช่วยสร้างในลักษณะทางธรรมด้วยคือหมายความว่าความรู้มันก็จะเกี่ยวเนื่องกันนะนะ ถ้าอย่างเราพูดถึงแม่ครัวเนี่ยก็ถ้ามันประกอบเลยว่าไส้ขนมไส้ขนมที่มันมานวดกันเป็นต้นทีนี้อุปมาอุปไม้ที่พระเจ้ายกเนี่ยคุณยมติวก็คื อ, อเหมือนกับช่างทองเขาทําเนื้อทองให้ร่วนให้ให้เหนียวโดวยการเอาทองเอาไฟเป่านะหรือว่าช่างปั้นหม้อนะเขาเอาดินเนี่ยมานวดจนกระทั่งดินเนี่ยมันร่วนมันเป็นเป็นลื่นออกมาแล้วก็พอจะปั้นขึ้นรูปเป็นหม้อได้ทีนี้ไอความรู้ตรงนี้คุณโยมติมันจะสอดคล้องอนนย่างไง มันจะสอดคล้คองกันเวลาที่เรามาศึกษาธรรมะนะนะคะแล้วก็วิชาชีพอื่นก็เช่นเดียวกันด้วยหรือเปล่าคะอย่างอาชีพดิฉันก็ได้คะ่ะคือเป็นจะเรียกว่าอาชีพ อ, อะไรดีล่ะเป็นนักสือสนนกส่อสารมวลชนนักสื่อสารมวลชนอ่านักสื่อสารมวลชนก็ต้องก็ต้องอมีจิตที่เข้าใจทุกฝ่ายอย่างเงี้ยมีจิต ท, ที่เป็นประพศรไหลลื่นไปเห็นคนนี้ก็เข้าใจเห็นคนนั้นก็เข้าใจอย่างเงี้ยค่ะสรุปแล้วท่านทั้งหลายที่ประกอบไปด้วยอาชีพต่างๆซึ่งฟังรายการนี้อยู่นี้ ท่านเป็นผู้ที่เข้าข่ายนะคะที่จะสามารถมาปฏิบัติและก็ทำงานธรรมะได้ด้วยกันทางนั้นอืมใช่ท่านผ้ ค, คะทีนี้ตัดตอนมาถึงเรื่องของคำถามต่างๆในรายการเกี่ยวกับผู้ปฏิบัติเนี่ยนะคะซึ่งท่านขึ้นต้นสังเสริญพระพุทธเจ้าพุทธชาญตีด้วยเรื่องนี้ก็ดีแล้วเพราะว่าดิฉันเชื่อว่าหลายคนก็คงมีความรู้สึกว่าการที่จะ เรียนแบบพระพุทธองค์คือมีอำนาจเหนือจิตสามารถที่จะทำอะไรได้ตามที่ปรารถนาเนี่ยจะต้องทำสมาธิก่อนที่นี้บางคนเนี่ยนะคะยังไม่ได้ฝึกจิตใช่ไคะอยู่ในระหว่างฝึกเนี่ยฝึกอะไราการเนี่ยกับท่านมาโอ้โหทาตามทุกวันเลยแล้วก็ได้พบว่าขณะที่ปฏิบัติเนี่ยก็ดูเหมือนกับ บังคับจิตไม่ได้เพราะว่าตัวเองเนี่ยจิตก็อยากจะอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกสั้นรู้อยาวรู้อะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่ามันก็เลยเหมือนกับว่าอแล้วเราจะไปบังคับเขาได้ไหมเพราะว่าไม่อย่างนั้นก็ปฏิบัติไม่เจริญสิอืมค่ะคือการบังคับจิตเนี่ยมันมันไม่ได้นะเพราะว่าจิตมันไม่มีตัวตนคือเราจะไปจับมันไม่ได้เราจะไปบังคับขู่เข็นไม่ได้พระพุทธเจ้าเคยยกตัวอย่างเปรียบเทียบกับการจับนกกระจาบ นะถ้าจับแล้วแน่นไปนกกระจับตายนะถ้าจับหลวมไปนกกจากก็วิ่งหนีบินหนี <Okay. S 1> ไปเหมือนกันจิตเราเนี่ยจะไปบังคับจิตต้องไม่คิดต้องคิดเราจะปวดหัวทันทีอันนี้หลายๆคนเป็นจนกระทั่งเครียดไปเลย <Okay. S 1> คิดงานคิดไม่ออกโอ้ยเรื่องนั้นเรื่องนี้สรารพัดเครียดนะเป็นโรคอะไรต่างๆ ต, ตามมาอีกอีกทางหนึ่งก็คือคุณไม่คิดอะไรปล่อยจิตฟุ้งซ่านไปนะทำไม่ดีทําสิ่งที่เป็นภัยต่อสังคมก็มีเยอะแยะ <Yeah. S 1> อันนี้คือ2สุดโตง่งที่พระเจ้าบอกเอ้ยไม่ควรทํา นี้ว่าเราจะทํำยังไงกระบวนการพระเามีอยู่แล้วนัคือใช้ลมหายใจของเราเนี่ยเป็นฐานที lane, ่ต <ged nold cherry> ั Ana, ้งแห่งการระลึกถึงนั่นคือสติปัฏฐานสติปัฏฐานเนี่ยแปลว่าฐานที่ตั้งแห่งการระลึกถึงเราใช้ลมหายใจของเราเป็นฐานที่ตั้งแห่งการระลึกถึงให้จิตของเรามาระลึกถึงอยู่ที่ลมหายใจอยู่เรื่อยๆรอย่างนี้จิตเราก็จะไม่หนีไปอื่นนะไม่ไปคิดวุ่นวี่วุ่นวายไม่ไปคิดเรื่องที่ไม่ควรคิดนะพอมันมานิ่งอยู่ที่แล้วเนี่ยมันเริ่มจะเห็นสิ่งที่ควรคิดคิดออก สิ่งที่คุณรู้สิ่งคุณจะต้องรู้ได้แ้ะเนื่องจากความนิ่งที่มันมีดังขนาดนี้ทีนี้ต้องถามต่อไปในสิ่งที่ท่านตอบมาเลยนะคะเพราะว่าประสบการณ์ของผู้ฝึกด้วยการใช้ลมหายใจเป็นฐานที่ตั้งของจิตน่นะคะสิ่งหนึ่งที่จะได้พบกันก็คือว่ามีมีความคิดต่างๆ เข้ามาตลอดเวลาทำให้เรากังวลว่าเอ๊ะในเมื่อขณะที่ฝึกจิตเนี่ยมันก็ไม่เห็นรู้แต่เรื่องของลมหายใจเข้าออกแต่เพียงอย่างเดียวแต่จะมีสิ่งเหล่านี้แวะเวียนเข้ามาปฏิบัติมาเป็นเวลานานก็ยังแวะเวียนเข้ามาอยู่อย่างนี้ อ, อธิบายอย่างไรครั้ท่านครับเออมันเป็นธรรมดานะคุณโยมติ๋วทีออ่จิตเราจะไปเข้าไปรับรู้สิ่งนั้นสิ่งนี้แต่บางทีถ้าอันไหนมันมีอานาจเหนือกว่ามันก็จะดึงเราไป อันนี้เราเห็นได้ชัดเจนอย่างบางทีเรานั่งลืลมตาอยู่เนี้ยเราก็เห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่เป็นไรพอเราหลับตาทอนนั้นนี่ยโอ้ยความคิดต่างๆโผล่ขึ้นมาพวดพลาดขึ้นมาแตเพราะว่าพอเราหลับตาปิดหูแล้วเนี่ยเราไม่ได้เห็นไม่ได้ยินไม่ได้สนใจสิ่งภายนอกใช่ไหม <Okay. S 1> ไอไออัญธนะอย่างอื่นที่มันมีกําลังมันก็จะดึงจิตเอาไปแทนในที่นี้ <Okay. S 1> ก็คือใจนะที่มันจะดึงจิตเราไปธรรมารมพวกนี้ทีนี้มันเป็นเรื่องธรรมดาที่จะเกิดเราทํายังไงนะพระเจ้าเคยเปรียบเหมือนสัตว์หชนิด ใช่ไหมเจ้ า, า, าลิงจรเนะเข้สุนัขบ้านสุนัขป่านกแลนะพวกนี้มาผูกเอาไว้นะเราก็ผูกอยู่ที่เสาเขื่อนเสาหลักทีนี้สัตว์พวกนี้มันจะมีแรงดึงไปอยู่นะดึงดึงดึงดึงนะแต่ว่าเสามันก็นิ่งอยู่นะเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นเสาทีนี้ว่าประเด็นก็คือว่าพอมันดึงๆไปเนี่ยสัตว์มันเหนื่อยเมื่อไหร่มันก็จะนิ่งไปเองมันก็จะมันหยุดอยู่ที่เสาเขื่อนเสาหลักเอง ทีนี้ตาหูจมูกริ้งไก่ใจของเราเนี่ยมันจะดึงจิตของเราไปแน่นอนนะแต่ถ้าเราปล่อยนะปล่อยแล้วให้เรากลับมาอยู่กับลมหายใจอยู่เรื่อยๆนะสิ่งนั้นจะค่อยอ่อนแรงลงอ่อนแรงลงเป็นี้นะอ่อนแรงลงจนทั้งมันเหนื่อยเมื่อไหร่มันหยุดเมื่อไหร่มันมันมันไม่มีแรงแล้วมันก็นิ่งไปเองเราก็จะไม่ไหลไปตามมันก็จะค่อยๆลดลงลดลงไงไอจำนวนเวลาที่เราจะฟุ้งไปคิดนั่นนี่จะค่อยลดลงจาก1ชั่วโมงใช่ไหมคุณนั่งสมาธิได้แค่นาทีเดียว59นาทีฟุ้งสั้นหมดเลย นะเราก็จะค่อยๆลดลงตรงนี้ค่อยๆลดลงถ้าเราเราปล่อยเราปล่อยเหมือนจักรเยาะเงี้ยมยมติว๋วเคยเล่นจักรเยาะใช่มค่ะดึงไปดึงเต ง, งโอ๊ยไม่เลิกแล้เลิกดีกว่าปล่อยปุ๊บมันล้มไปเลยคลื่นไปเลยฝั่งนู้นล้มไปเลยนะเราก็ใช้วิธีเดียวกันเราวางปุ๊บเขาล่มไปเลยแล้วก็สบานเราก็ชนะละเราก็มีกําลังขึ้นมาหน่อยหนึ่งสิ่งนั้นก็ลดกําลังลงไปหน่อยหนึ่งแต่ก็ยังมีประเด็นที่อยากถามในแะง่ที่ว่า ทำไมเมื่อผู้ปฏิบัติก็มีความรู้สึกว่าเกิดความนิ่งในขณะปฏิบัติแต่ก็ยังขจัดบรรดาความคิดซึ่งท่านบอกว่าเป็นการที่จิตไปรับรู้อารมณ์เหล่านั้นไม่ได้อย่างซึ่งเชิงสถีค่ะอืมแต่ความนิ่งไม่มีปรากฏอยู่เป็นประจำค่ะอ๋อแสดงว่าคุณยมติ๋วเห็นว่าไอ้ความคิดอันนี้ ท, ที่มันเป็นเครื่องกวนใช่ไหมค่ะโอ้โหดีมากมเลยคุณยมติว๋วแสดงว่าคุณยมติ๋วเนี่ยเห็นโทษของวิตกวิจารณ์ S <S <S จิตเนี่ยพร้อมที่จะขึ้นสู่ฌานสองนะคือหมายความว่าเรากําลังแบ่งนะคือความคิดในโลกเนี่ยพระเจ้าแบ่งเอาเป็นสองส่วนแใน <S <S ส่วนที่ส่วนที่ไม่ดีเขาเรียก อ, อกุสุรธรรมเนี่ยอะมิจฉาสังกปะส่วนที่ดีก็คือสัมมาสังกปะใช่ไหมคทีนี้เราก็ลังบอกว่าไอ้ส่วนที่ดีเนี่ยเฮ้ยเราก็รู้สึกว่าทำไมฉันต้องไปคิดอีกนะที น, นี้ถ้าเราเห็นตรงนี้แสดงว่าคุณเห็นโทษของฌานหนึ่งละคือมันจะมาเป็นอาพาธแสดงว่าจิตคุณเนี่ยถ้าเห็นอันนี้สองของฌานสเรื่อยๆฌานสเรื่อยๆจิตจะแล่นไปทางนั้นเลย หนึ่ง ห, งเหอเปล่าหมคือไม่ใช่ว่าชั้นหนึ่งไม่ดีนะชั้นหนึ่งยังดีกว่ากามนะกามเนี่ยเทียบกับชานหนึ่งไม่ได้เลยแต่ว่าชั้น1ก็สู้ชา้น2ไม่ได้ค่ะ<น>ท่านพิบู์ค่ะ ง, งั้นท่านพิบูลกำลังจะบอกว่าที่กราบเรียนถามท่านมาทั้งหมดเกี่ยวกับคําถามนี้หมายถึงว่าที่เราคิดว่าจากาจะมีช า, ชา้นสี่ชั้นเริ่มต้นชา้นที่1เนี่ยการที่ยังคิดอยู่ในลักษณะต่างๆการที่จิตไปรับรู้อารมณ์ในลักษณะต่างๆแต่ว่ามันมีความนิ่ง แล้วเนี่ยสงบเหมือนกับเป็นสมาธิแล้วมีความไปรับรู้อารมณ์อย่างเนี้ยถือว่าเข้าไปในชา้นหนึ่งแล้วถูกต้องถูกต้องเอ่อคือเข้าไปแล้วนะแต่สมบูรณ์หรือเปล่าอันนี้อยู่ที่ว่าคุณได้ทั่วตัวไหมปีติสุขเนี่ยค่ ะ, ะทีนี้สมมติว่าทำอย่างไรมันก็ไม่เคยรู้สึกถึงปีติสุขแล้วก็อยู่ตรงเนี้ยเป็นเวลานา น, านแล้วจะทำอย่างไรคะ่ะก็งองค์ประกอบอยังยังไม่ครบ แสดงว่าคว ร, ะรจะทําอะไรเพิ่มควรจะทําอะไรลดลงคะ่ะแสดงว่าเรายัางไม่เห็นอนิสง์ของปีติสุขมากแล้วเราก็ยังเห็นโทษของกามอยู่ด้วยคือจิตเนี่ยนะ ừ ừ, คุณโยมติ๋วมันก็จะแล่นไปไม่ทางใดก็ทางหนึ่งแต่ว่า ค, คุณยังไม่เห็นปีติสุขที่เกิดจากสมาธิจิตมันก็จะต้องแล่นไปหากามอยู่เรื่อยๆทีนี้ถ้าเราไม่เห็นโทษของกามคุณก็จะไม่มีทางที่ได้ชั้นหนึ่งที่ถ้าคุณเห็นโทษของกามจิตไม่จะไม่มีที่แล่นไปละมันจะต้องแล่นมาทางนี้ทางเดียวคือทางสมาธิ มันก็จองเริ่มเห็นแล้วว่าอ๋อปีติเป็นอย่างนี้สุบเป็นอย่างนี้ได้นี่บางนิดๆหน่นอยๆได้ตรงคอได้ตรงตรงอกแ ต, ต่อไปก็ได้ทั้งตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแปลว่าก็ต้องทําต่อไปใช่ทําต่อแต่ตว่าที่ดําเนินมาในลักษณะนี้ถูกทางแล้วถูกทางแล้วถูกทางแล้วใช่ค่ะมีคําแนะนําอะไรพิเศษแตกต่างไปจากที่ท่านได้พูดไปหรือว่าที่บังเอิญไม่ได้ถามแล้วควรรู้ไหมคะ อ, อพระเจ้าให้ ทำอยู่เรื่อยๆทำบ่อยๆนะสมาธิเนี่ยทำอยู่บ่อยๆทำซ้าๆทำย้ำๆทำที่เดิมทำให้มากเจริญให้มากใช้คำนี้ทำให้เจริญค่ ะ, ะพูดถึงว่าถ้าจะถามแบบโลกโลกนะคะว่าอย่างนานที่สุดที่จะสำเร็จได้สำหรับคนที่เนิ่นช้ามากเนี่ยเป็นไปได้ไปจะยาวนานขนาดไหนคะโอ้โหเนิ่นช้ามากๆเลยใช่ไหมสมมติคนที่ทาอนันตริยกรรมอย่างเงี้ยนะ ค่โอ้ก็คงจะต้องข้ามภพข้ามชาติไปลงนรกซะก่อนงั้นเอามนุษย์ทั่วไปนะคะคงจะไม่ค่อยมีใครทําอนันตริยกรรมคุณกรรมหนักชนิดค่าพ่อค่าแม่มากนักเนี่ยนะคะอถ้าคนทั่วไปอันนี้มันก็ฟังฟันตรงยากคุณยมติว่าต้องกี่นาทีกี่วันกี่ปีพวกเนี้ยถ้าพระเจ้าก็เคยพูดไว้ว่าไม่เกินเจ็ดปีนะสําหรับคนที่เป็นวินยูชนไม่โอ้อวดไม่มีมัญญามีสัญชาติแห่งคนตรงค่ะอืม ่ะคะไม่เกินเจ็ดปีไม่เกินเจ็ดปีเจ็ด ป, ปีบางคนโอ้โหร้องโอ้อกเลยมันนานมากเลยเนี่ยถ้าคูณเป็นวันแต่ว่าถ้าอันนี้ดิฉันพูดเองนะคะถ้าคิดว่าตัวเองกับเวลาที่ผ่านมาบนโลกใบนี้เนี่ยอายุยี่สิบปีสามสิบปีสี่สิบปีห้าสิบปียาวนานมากยังไม่เคยพบมาก่อนเลยอีกเจ็ดปีมันน่าจะคุมเหมือนกนะันใช่เจ็ดปีนี้นะคุณต้องเป็นวินยูชนนะไม่โอ้วดไม่มีมารยามีสัญชาติคนตรงนะค่ะอื้อ คือถ้าคุณยังคิดว่าอุ้ยทําไมยานานขนาดนี้แสดงว่าคุณสอนยากแหละคุณไม่ใช่ยังเป็นคนยังไม่ไม่ตรงเท่าไหร่ค่ะนะคะก็จึงนําเอามาถามเพราะทีฉันเห็นว่าสําคัญนะคะอืมคือเหมือนกับว่าคนเราพอเริ่มลงมือทําอะไรเนี่ยร้อยทั้งร้อยหวังความสําเร็จคงจะไม่มีใครสักแต่ว่าทํำไปเถอะทาไปเถอะทาไปเถอะไม่ได้หวังผลนะคะจะได้ไม่ไม่เร่าร้อน มไม่รีบร้อนไม่รีบร้อนเกินไปนักแล้วก็จะได้ปฏิบัติแบบเข้าใจนะคะนี่เราก็ว่ากันย่ำอยู่ในชาญที่หนึ่งก่อนเพราะว่าจริงไหมคะที่ฉันได้ยินคำกล่าวของครูผู้สอนบางท่านจะบอกว่าสำคัญมากเลยนะจุดเริ่มต้นถ้าทำฐานไม่ดีเนี่ยมันจะไปต่อไม่ได้ฐานนี้ก็คือสีนั่นเองค่ ะ, ะสีคือความปกติของเราก็ทำให้ดีก็ไม่มีวนุนนอืมค่ะ ค่ะวันนี้ก็ได้ไประโยชน์พอสมควรทีเดียวค่ะอย่างไรก็ตามทั้งคําถามทางโลกและทางธรรมเนี่ยก็จะมีกราบเรียนถามท่านพระบุญอยู่เสมอพรุ่งนี้จะเป็นคําถามไหนเดี๋ยวเราไปติดตามกันต่อไปนะคะวันนี้กราบนมัส ก, การขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่งค่ะเชิญพานค่ะท่านฟังที่รครคะท่านกําลังฟังรายการสัสนสัญญาสมทนานอยู่ทางสถานีวิทยุครอบครวคัวข่าวที M ่706ติดตามรับฟังรายการของเราได้เป็นประจําทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลาตีห้านะคะวันนี้พุทธวัตรสวัสดีค่ะ